เอาสำรวมใจดีนะสถานที่แห่งนี้ละ่ะที่พระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกของพระองค์1250รูปมาพร้อกันที่นี่ในวันเทนเดือนสมากันโดยไม่ได้นัดหมายรู้ขึ้นมาเองด้วยใจพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากเขาขิชกูดลงมาตรงนี้สาวก แยกย้ายกันไปทิศทางไหนก็ตามพอถึงเวลาก็มุ่งตรงมาที่นี่ด้วยใจด้วยอำนาจของธรรมะเป็นที่รู้กันว่าบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาพร้อมเพียงกันที่นี่แล้วพระพูท้ทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหมือนครั้ง <S <S เพื่อที่จะประกาศโอวาทอันเป็นพื้นฐานอันเป็นแบบฉบับ เขาเรียกว่าโอวาตปาติโมกโอวาตก็คือคำสั่งสอนส่วนปาติโมกหมายคำสั่งสอนที่เป็นพื้นฐานเป็นแบบแผนเป็นบรรพฐานของคำสอนทั้งหมดก็มาประชุมกันที่นี่แล้วน่าอัศจรรย์ว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วย เอหิภิกขุอุปสัำปทาอุปสมบทหมายความว่าพระผู้ที่ย้าตัดแค่ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วถ้าบางคนยังไม่พ้นทุกข์ก็เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นเถิดทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นเถิดก็หมายว่าคําสอนทั้งหมด รวมลง ม, มาที่ใจเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ขึ้นที่ใจเมื่อเรามาแล้วเราก็สำรวมใจดับทุกข์ดับปัญหาทั้งหมดทิ้งขว้างออกไปให้หมดเลยไม่ต้องให้มันโผล่หน้าโผล่ตาไม่ให้มันเสนอหน้าเข้ามาบอกว่าเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธ เ, เ จ, จ้าทรงประกาศํำสอน เป็นคำสอนที่ไม่มีปัญหาอยู่ในจิตเป็นคำสอนที่ทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากอารมณ์ทั้งตัวไม่มีอารมณ์ไหนมาครอบงาจิตใจได้อีกต่อไปก็ดูความตั้งใจของเรานี้หละความตั้งใจที่แน่แน่นั่นแหละความพยายามในจิตของเราที่จะไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาครอบงาจิตนี่แหละเรียกว่าความเพียรชอบความเพียรที่แท้จริง ละบาปละอกุศลทั้งปววไม่ให้เข้ามากันเอาไว้กั้นเอาไว้ปฏิเสธไม่เอามันจะเข้ามาไม่เอาเรื่องข้างโลกจะมาทำไมเสนอหน้ามาทำไมไม่เอาทิ้งวางมันจะแวบบับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้มีตัวมีตนอะไรว่างเปล่าเราก็ยั้งจิตเราไว้ กั้นจิตเอาไว้คุมจิตเราเอาไว้เราก็เอาจิตของเราเข้ามาเราก็ตั้งจิตขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังโอวาตโอวาทะปาติโมเป็นโอวาตเป็นคาสอนที่เป็นบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานที่เป็นพื้นฐาน ว่าใครก็ตามถ้าจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าประมวลเอาคําสอนทั้งหมดจะต้องมาลงได้กับโอวาทปาติโมกนี้ใครจะไปอบรมสั่งสอนด้วยคําสอนบทใด บ, บาทใดพระสูตรใดก็ตามจะต้องลงได้กับโอวาทปาติโมกนี้เท่านั้นคราวนี้เราก็จะมาฟังละว่าเออที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันลงได้ไหม กับโอวาซึ่งเป็นบรรทัดฐานซึ่งเป็นแม่แบบเป็นแม่บทเป็นต้นแบบของคำสอนทุกอย่างไม่ว่าใครจะสอนยังไงอบรมมายังไงต้องเข้าได้กับโอวาทปาติโมงนี้เพราะอันนี้เป็นคำสอนที่พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ซึ่งพระองค์อุตสมบทให้เองเลยด้วยเองิที่คูสัมปทาแล้วก็เป็นพระอรห์ทั้งหดแล้วก็บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาด้วย คูอไม่ใช่เป็นอาหารหันธรรมดาแล้วผู้มีคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ในวันถ็นเดือนสามแล้วก็ตรงนี้สถานที่แห่งพอมาพร้อมกันแล้วพวกก็เริ่มด้วยคาถาคาถาแรกขันตีปรมังกาโปติติ่าขันตีความอดกัน้นเป็นตบะอย่างยิ่งเราฟังแล้วเนี่ยคำว่าขันตี ทนที่จะอดทนอดกลั้นได้เนี่ยมันต้องมีสติด้วยเนะมันต้องควบคุมจิตได้อย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราทนได้ไหมถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปเวลาเราไม่พอใจขึ้นมานี่มันคุนมันเคืองขึ้นมาไหมถ้าเราไม่มีสติก็คุมมันไม่อยู่คุมไม่อยู่หลุดออกไปหรือว่าดูมันมันก็ไม่ยอมดับถ้าขาดสตินี่นหะสตินี่ต้องทนก่อนทนก่อน ทนก็คือสติคุมไว้ก่อนไม่ให้ออกไปไม่เอาเอาจะมันดับเลยถ้ามันดับแล้วมันอยากแสดงออกเอาไหมเอาไหมจะไปแสดงอาะไปอรารวาดแบบที่เราตั้งใจเอาไหมมันจะปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรนี่แหละถ้าไม่มีขันตินะเราไม่มีอะไรที่ไปยับยั้งจิตเราได้แต่ขันตินั้นก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติคือต้องมีสติ ด, ด้วย ตั้งแต่เริ่มทนตั้งแต่เอา้าอย่างเรามาที่เนี่ยโอ้โหทนเหนือยยากลําบากเลยนะรถก็วิ่งก็ไกลาทางก็ลําบากแต่เราก็ไม่ท้อถอยอเราไม่ถอดใจอะ่ะบางทีร่างกายก็เจ็บปวดเมื่อยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนแพ้เป็นนั่นเป็นนี่แต่ใจของเราทนอยู่ได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะเรามุ่ง ม, มาหาธรรมะ คือตัวธรรมะนี่แหละคือตัวการปฏิบัตินี่แหละที่มันจะทําให้เรามีขันติได้จริงถ้าว่าขันติทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวทนเหนื่อยทนยากอีกระดับหนึ่งเนี่ยอันนั้นมันเป็นขันติอดทนธรรมดาธรรมดาอดทนธรรมหาจินไปเหนื่อยยากลําบากก็อดทนแต่ถ้ามีสติเข้าไปช่วยยับยั้งความอดทนเนี่ยมันจะเข้าไปถึงจิตใจมันสามารถรักษาใจให้สงบเยือกเย็นได้ ทนต่อแรงกระทบอารมณ์ทั้งหลายที่มันกระทบที่มันดุ่มเล้าเข้ามาแล้วมันจะทําให้เรามีตัวมีตนขึ้นมามีเราก็ต้องอดทนไว้มันไม่มีมันไม่มีตัวตวนไม่มีอย่าไปสร้างมันขึ้นมาขนาดนั้นเลยนะความอดทนเนี่ยขันติเนี่ยมันจริงเป็นยอดของธรรมะพระเจ้าจริงตาลดกับสาวกทั้งหลายว่าโยการดําเนินชีวิตอยู่ถึงเป็นพรทหารพลทหาแล้วก็ตามนะไปที่ไหนก็ตาม ม, ตา ม, มันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันนั่นแหละเป็นธรรมดา และสมัยนั้นอินเดียก็มีลัทธิอะไรมากมายกายกองจะไม่ให้มีเรื่องมีราวไม่มีกระทบ ก, กระทั่งอะไรเลยไม่ได้เพรา ะ, ะ น, น้ต้องอาศัยขันติความอดทน อ, อกร้นเป็นตบะอย่างยิ่งเพรา ะ, ะนั้นต้องมีสติรักษาจิตจึงจะอดทนอยู่ได้จากนั้นพระเจ้าก็พูดคาถาต่อมาอีกวิบานังปาละมัยวาดันติบุต ธ, ธาผู้รู้หมายถึงพระเจ้าทองไหล กล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมเป็นบรมธรรมเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมเป็นธรรมที่สูงที่สุดประเสริฐที่สุดคือพูดกาาับพ่อละหันเนี่ยหมายว่ปาปลาลบทันเลยอ่ะพ่อละหันเนี่ยมาพูดกระทึงพูดถึงความอดทนจากนั้นก็พูดถึงนิพพานใ น, นความไม่มีทุกข์อยู่ในจิตใจเข้าถึงความจริงหมดจดแล้วทุกข์ดับไปหมดแล้วกิเลสตัณหาอุปทานหมดแล้วอวิชชาดับไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แหละมันเป็นยอดของธรรมะ เป็นธรรมะอันยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาพูดกันได้เขาเห็นอยู่นเห็นอยู่ในจิตเนี่ยพูดปั๊บมันก็มองเห็นเลยเออมันไม่มีอะไรหรอกเกินนี้ไปแล้วสิ่งนี้แหละยอดเยี่ยมที่สุดมันก็มีประจักษ์มีพยานพูดกันได้แย่ๆสบายๆเร า, าก็ฟังเอารับฟังเอาไว้ว่าอ๋อสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือนิพพานนิพพานในทีนี้ก็คือเราต้องปฏิบัติจิตของเรามีสติรักษาจิตของเราไม่ให้อะไรเข้ามากุ้มลมจิตใจแล้วให้จิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันรู้ความจริง เนะีมองดูกายก็เอ้ยร่างกายไม่ใช่ของเรามองดูเวทนาเวทนามันผู้เกิดหนะ้าตาเวทนาเป็นอย่างงี้เหรอจิตก็เห็นด้วยว่าเออจิตก็ดูอยู่เฉยๆตัวดูก็เป็นตัวจิตไอเวทนาก็ถูกดูไปแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงอ่ะเมื่อเรากับมันดูอยู่เดี๋ยจิตมันจะรู้ขึ้นมาตอนเราดูอยู่นี่มันจะเป็นเราได้ยังไงอ่ะถ้ามันเป็นเราก็สแสดงว่าเราหลงไปแล้วสแสดงว่าจิตของเรากําลังยังไม่พอ มันจึงไม่มีปัญญาญาณเข้าไปเห็นความจริงได้เราก็ต้องปฏีบัติถ้ามันเห็นแล้วมันก็อยากเห็นให้ชัดขึ้นที่นึ้งพอเห็นเห็นแล้วมันก็ยังปล่อยไม่ได้มันค่อยๆปล่อยค่อยๆวางขนาดปล่วางได้เล็กน้อยก็เบาลงไปแล้วปล่วางได้มากขึ้นก็ยิ่งเบาขึ้นไปอีกตัวตนมันก็เหมือนกับมันค่อยๆขาดไปค่อขาดไปมันก็อยากปล่อยวางให้มันหมดเลยที่นี่อยากให้เหนื้อวิถีนาไปเลย มันก็ยิ่งอยากปฏิบัติคนที่ปฏิบัติมันเห็นความจริงแล้วมันจะมีความเพียรขึ้นมายิ่งทํามันได้เห็นแล้วโอ๊ยไม่ใช่ของเรามันเด็ดขาดครั้งที่หนึ่งมีไหมทีพระสดาบันแล้วนะอิธนาขาดไปรู้ว่ากายก็ขาดไปรู้ว่าดูจิตมันเหมือนมันมีอาการที่มันดับไปมันขาดไปเห็นไม่ใช่เราขึ้นมาวาดขึ้นมาในจิตแจ้งชัดสว่างสวยขึ้นมาด้วยปัญญาอันนี้คนนั้นก็จะมุ่งมั่นล่ะที่นี่งยังไงยังไงไม่ถอยแน่แล้วทางหรือในแม่ที่จะทําให้คนทุกได้ ทางอื่ น, นั่นโอ้ยมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่การบีบคั้นเราหลวงมาเนิ่นนานแล้วต่อไปไม่เอาแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าจริงพยากร์ว่าเออผู้ที่บรรลุกัลป์สวัสดิบัณบุคคลนี่เป็นผู้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาหมายความว่าเข้าสู่กระแสแล้วโสตโสตาโสตเนี่ยหมายว่าผู้เข้ากระแสกระแสอะไรกระแสแห่ ง, งยามะกระแสปณิพัน์นแล้วต้องบราารลุผลานแน่ๆพ้นทุกข์แน่ๆไม่ตกต่ําก็คือไม่ตกกบายภูมิเพราะจิตมันมุ่งมุ่งที่จะเดินทางอยู่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ปาลกกับพระรหานวา่านิพานนี่แหละเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมจากนั้นพระเจ้าก็พูดเรื่องการที่เราไปเผยแพ่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกระทบกระทั่งกันพระเจ้าก็สอนว่านหิปพภะชิโตปา ร, รุปการตีสามนโนโหตีป ร, รังรีเห้ทะยันโตบันทชิตเนี่ยจะต้องไม่อยูเบียนไข่ๆขเนี่ยต้องไม่มีการเดียดเบียนสิ้นกันอะไกันก็คือรักษาใจเรานี่แหละเราอยู่ในโลกไม่ต้องมีการกระทบ เมื่อกระทบเนี่ยคนยังมีกิเลสมีตันหามีุปเทนก็แสดงออกมาก็ต้องเราก็ต้องไม่ไปเบียดเบีย น, นกันแล้วก็ไม่ทําร้ายกันด้วยถ้าทําร้ายก็แสดงไม่ใช่สมณะไม่ใช่ผู้สงบจากกิเลสเราก็เอาเอาเอาแม่แบบอันนี้มาสอนเราก็ต้องพยายามที่จะไม่เไปเบียดเบียนกันแล้วไม่ทําร้ายกันไม่ว่าทําร้ายด้วยการกระทําทางกายทางคําพูดหรือแม้กระทังความคิดเพราะฉะนั้นมันประเมวนเข้ามาแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องมีความอดทนกันมาก การอยู่เล่นกันเนี่ยความอดทนไม่จําเป็นอดทนบางทีมันก็กระทบกันไม่พอใจกันขึ้นมานต้องอดทนจะอดทนได้ก็ต้องเจริญสติมันต้องปฏิบัติที่นี่พ ร, พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากระวังคนอื่นเนี่ยต้องมระวังตัวเองนี่มาระวังจิตเรานี่เข้ามาคอยควบคุมจิตเรานี่สําหรับคนอื่นต้องอดทนด้วยอดทนอดกัน้นไม่มีความคิดอยากเบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ให้มีเมตตาต่อกันด้วย ปรารถนาดีต่อการเออเขาก็เกิดมาแล้วก็ไม่อยากมีทุกข์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากทุกข์อยากได้สุขเหมือนเราเราก็อยากได้สุขไม่มีทุกข์เวลาทุกข์ขึ้นมามันเจ็บปวดมันดีดขั้นมันทุกข์มันทรมานเออเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาเลยอย่าไปทําให้เขามีความทุกข์เลยมันก็มาอดทนที่จิตของเราแต่มีความปรารถนาดีต่อการเอื้อเอ็นดูต่อการคือมีกรุณามีกรุณาต่อกัน ถ้ า, าว่าทุกยากลําบากทามีอะไรพอช่วยเหลือก็หยิบเยื่อช่วยเหลือเตื้อกูลกันอย่างนี้มันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไปทางไหนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเบิกบานนะมันกว้างขวางนะมันไม่หวั่นไหวกับอะไรเพราะในจิตของเรามันตั้งใจเอาไวนะ้แล้วมีแต่ความเมตตามีแต่ความปรารถนาดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็อ้อาวให้บุญนะยินดีรับเอาบุญนะแผ่เมตตาไปทุกที่ที่เราไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแค้บขาดปลอดภัย บางทีเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเราทําอย่างนี้จิตของเรามันเบิกบานมันอิ่มเอิบ ม, มันสงบเริ่มเย็นพวกนี้เวลาเขารุ ก, กวนเราเขาฆ่าเราไม่ได้หรอกแต่เขาจะทําให้เรากลัวกังวลหวั่นไหวมเมื่อจิตเรามีเมืตาอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นจิตตัวเองว่าเออเรามีแต่ความปรารถนาดีนะมีพร้อมที่จะให้อภัยนะมันก็ไม่ไม่หวั่นไหวอะ่ะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะฉะนั้นเบ็ดแรกเลยขั้นแรกเลยที่พระเจ้าตาลด ก, กับพระอาหารหันต หนึ่นสร้อกก็คือต้องมีขันติขันตีปรมังตโ g t a p o t าขันตีความอดร่าเป็นตาบะอย่างยิ่งนิบานังปรม a m a n g wadanti b าผู้รู้ทั้งหลายคือผู้เจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมเป็นธรรมอันสูงสุดนะหิตปาะชิตโตตะลูกคาตีสมโนโหติปารังวิเหตยาโตบรรธชิตต้องไม่เบียดเบียนกันไม่มเบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำร้ายทําลายคนอื่นถ้าใครทําร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยไม่ว่าทําร้ายทางจิตใจมนโนกรรมทางวจีกรรมทางกายกรรมเพราะฉะนั้นจิตของเรานต้องตาลดจิตให้มีเมตตาอยู่เรื่อยนี่คือทางเดินของจิตเราต้องประมวลเข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับจิตของเราคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องรวบรวมเอาธรรมะทั้งหมดมาบูรณาการเข้ามา เป็นวิธีการปฏิบัติให้แก่ตัวเองมันเพงเดินทางได้สะดวกถ้าเรามุ่งแต่เจริญสติคุ้มจิตตัวเองแต่ไม่ได้ไปมีรายละเอียดอย่างอื่นไม่อดทนไม่อดกั้นอะไรยิ่งภาวนายิ่งปฏิบัติทําความเห็นแก่ตัวก็ยิ่งมากตัวตนยิ่งมากอัตตายิ่งสูงชั้นมีธรรมะนะชั้นปฏิบัติธรรมะนะชั้นรักษาศีลนะก็ยิ่งไปใหญ่เลยที แทนที่จะมาลดอัตราลดตัวตนเับเพิ่มอัตราตัวตนอันนี้แหะที่มันเป็นอุปสรรคต่อ ก, ก, การปฏิบัติธรรมถี่อทนที่สองที่นี่เวลาจะไปสอนเพระาะผมก็วางบรรทัดฐานเอาไว้ทอดแรกนี่ปลาลดกันว่าเออถ้าว่าไปอบรมสั่งสอนไปอะไรนี่นะมันต้องอดทนอดกั้นนะเวลามีอะไรมากระทบอะไรอย่างเงี้ยอย่าหวั่นไหวนะต้องมุ่งตรงเข้ามาหาจิตที่มีพระนิทานเป็นอารมณ์นี่แหละที่จิตมันเข้าถึงพระนิทานนี้ มันถึงจะสุขสบายมันให้สงบเย็นคือจิตเนี่ยนะถ้าหากว่ามันมันออกมาเกี่ยวข้องอะจิตมันอยู่อีกแบบหนึ่งนะมันมาเกี่ยวข้องมันก็จะทําไปตามความเหมาะสมยืนแย่เปี่ยนสายหัวเราะบั่งอะไรบ้างพูดกันไปตามความเหมาะสมนะแต่เวลาที่มันเข้าไปอยู่กับเป็นตัวเขาตัวเองขึ้นมาเข้าไปเข้าไปที่มันไม่มีอะไรเลยอะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะ เหมือนโลกมันเป็นอะไรที่ว่างเปล่าไปหมดอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะออกมาแทบไม่อยากพูดจากใครเลยนะมองเห็นคนนี่มันเหมือนกับมันขาดออกไปจากจิตเราเป็นอันหนึ่งเขาเป็นอันหนึ่งเหมือนคนละโลกไปเลยนะแต่ว่าสมควรพูดก็พูดสมควรเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่มีอะไรมันจะเฉยๆมองก็แทบไม่อยากมองเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่อย่างนั้นเลยนะนี่นี่คือจิตที่มันมันไม่เอาอะไรเข้ามาแล้วมันปล่อยมันวางมันเป็นอิสระจริงๆแต่ถ้าบางทีก็ทําเพื่อคนอื่นมันก็จําเป็นทักทายบ้าง ยิ้มแยมบ้างให้กำลังใจบ้างก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรไปกว่านั้นเพราะว่าถ้าหาว่าเข้าใจข้างในแล้วเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งมันไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันขาดออกไปหมดแล้วนี่แหละมิตรบาหนังปรารมณ์วัดันติบุตรธาผู้รู้ทั้งหลายผู้พิจเรณาทั้งหลายจึงกล่าวว่านิตรทานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมเพราะหลานเนี่ยท่านฟังท็อเนี่ยรูลเลยล่ะเวลาเข้าหาเข้าไปสู่อะไรไม่มีอะไรจึงแต่งจิต เดือขาดลงไปเป็นอย่างหนึ่งเวลาถอยออกมาก็มาเกี่ยวข้องมาอะไรมันก็มันก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีท่าน ก, ก็หลบหลบหลีกเล้นนะเพื่อจะเข้าไปให้มันลึกให้เข้าสู่สมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเพื่อให้จิตได้พักไม่ใช่ว่าไม่ไม่เอาสมาธินะก็ต้องเข้าไปพักด้วยพักในสมาธิด้วยต่อมาอีกท่อนที่สองเนี่ยเป็นท่อนเวล า, าไปเผยแผ่จะสอนกันยังไง อันนี้อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะสับบรปบาปสากรนังไม่ทําบาปทั้งตัวเรามีไหมละ่ะเห็นไหมเห็นไหนมเราเรามาตรงนี้แล้วนะตรงมาทุกทวนแล้วมีไม่บาปทั้งตัวที่เราเอายังทาอยู่นี้ไหมไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องมีไหมสิ่งไม่ดีไม่ทําเลยคุนเนี่ยไม่ทําบาปทั้งตัวไม่ดีไม่ต้องไปทํามันมีอะไรที่เรายังทําอยู่ไหมสมควรที่จะโลดละได้ไหมเพราะว่าเราจะเดินตามรอยของพระต้องแบบนี้เลยนะที่นึ่ เอาธรร ม, ม, มะของเเข้าไปเลยเป็นบรรทัดฐานเลยแล้วก็เอาการกระทำของเราคําพูดของเราความคิดของเราเข้าไปเทียบเคียงยังมีบาปอยู่ไหมยังมีอาคุลอยู่ไหมยังมีสิ่งไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องอยู่ไหมที่การกระทำของเราทั้งทางกายก็ตามวาจาก็ตา ม, มโรรมฆะก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองไม่มีเจตนานะก็แสดงว่าอันนี้เรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นของมันเราก็ยอมรับไปก่อนรู้ไปก่อนแต่เมื่อรู้แล้ว สมควรหยุดต้องหยุดแล้วต้องเดินตามรอยบาทของพระเจานะ้าแล้วถ้าเราม้องจะปฏิบัติธรรมนะไม่ทําบาศ ท, ทั้งครวงเราก็นึกขึ้นมาประเมวนขึ้นมาก็ได้อะไรนะที่มันยังรู้สึกว่าเรายังทําอยู่ไนะงจนว่าพระผู้เจ้าไม่ให้เดินช้าอย่างเนี้ยเรายังมีอยู่ไหมอายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างไม่ให้โกหกเรายังโกหกอยู่ไหมข้อการเมยเรายังมีอยู่ไหมมีอมันก็ต้องแบบนี้แหละ ก็เทียบเคียงเข้ามาหรือว่าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเราเนี่ยมันยังเป็นบาปอยู่ยังเป็นอกุศลอยู่เรายังพอใจทําอยู่เราก็หยุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าวางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วต้องไม่ทําบาปทําำปวงสัพปะปาปัสสะบาปทั้งปวงอักรนังไม่ทําไม่ทําบาปทั้งปวงกุสะละสู้ปะสั้นปดาทํากุศลให้ถึงพร้อม ขาวนี้ก่อเมื่อไม่มีบาปแล้วทีหนี่สิ่งไม่ดีไม่เอาแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีก็มาทำมาทำกุศลรแรกๆนี้ต้องทกุศลก่อนทำดีก่อนเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันเ บ, บิกบานมันอิ่มเอิบมันสงบมันมีความสุขความสบายสติรักษาใจง่ายสจัจตตะปริโยดาปนังขาวนี้ชำระจิตทีนี่ละทั้งบาปละทั้งกุศลบาปก็ไม่ยุด กุศลก็ไม่ยึดละทั้งบุญละทั้งบาปละทั้งอกุศลละทั้งกุศลหมายว่าจิตต้องเข้าเป็นกลางแล้วที่นี่บาปมาก็ไม่เอาเป็นกลางไว้บุญมาก็เป็นกลางไว้จะไปเที่ยวยินดียินล้าอยู่ก็ได้แล้วจิตของเราก็ไม่เป็นกลางอะ่ะจิตก็ซัดสายนี่มันต้องมาเข้ามาหาจิตแล้วที่นี่ต้องละสายจิตให้เป็นกลางชำระออกไปชำระออกไปจิตมันยึดมันติดมันคล้องอะไรล่ะที่นี่อย่งนี้อะไรที่รู้สึกว่าโอ้ยมันก็ยัง มีผลต่อจิตอยู่่เดี๋ยวจิตฟูเดี๋ยวจิตแฟดเดี๋ยวจิตขึ้นเดี๋ยวจิตลงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ซส้นเศร้าเหงาหงยเดี๋ยวก็น้อยเนื้อต่ําใจเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็หวั่นไหวพวกนี้ตรงละแล้วทีนี้เรายังลัไม่ได้ก็ต้องฝึกว่าเรายอมรับว่าเรายังลัไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาเพราะเรากำลังปฏิบัติอยู่คนที่จะปฏิบัติตามุ่่ไม่ใช่เป็นทหารแล้วที่มาปฏิบัติ เพราะเรามีกิเลสเรามีตัณหามีอุปาทานเพราะเรามีทุกอยู่มีความโลภความหลงอยู่เราจึงมาปฏิบัติยิ่งเรารู้ว่าเราโอะไรหนงเราก็ยิ่งต้องปฏิบัติเพื่อให้ความโลภความหลงมันดับมันหายไปให้เราจะได้รู้ความจริงให้มันประจัดใจขึ้นมาให้มันล้างให้มันชำระให้มันล้างไอ้สิ่งที่พันาการจิตเราให้เป็นทุกข์เนี่ยให้มันดับไปให้หมดเลยสับประปาภาษาคารณัง อุสาลาสูประสัมบาดาสกิจตะปริโยดะปะนังเอตังบุทานะซาสนังเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะปฏิบัติตามพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์ละไมเอาแล้วบาปทั้งปวงสิ่งไม่ดีทั้งปวงฉันไม่เอามีนี่แล้ ว, ว่ลับรองเลยตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์ล้ะไม่ต้องไปแสวงหาพระพุทธองค์ไหนเอาคําสอนของพระเจ้าองค์นี้แหละเข้ามาเลย เพรามันอนเดียวกันปุสาล์สู้ประสมบัณฑ์ทำความดีให้ถึงกร้อมแต่ความดีก็ไม่ใช่ติดดีนะถึงเคยทำบาป ท, ทำอกุศลมาก็ต้องยอมรับว่าเราผิดพลาดจริงแต่จะแก้ไขเพราะเรายังไม่ใช่พ่อหรหัสเรายังไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ก็ไม่เสียหายอะไรนี่คนที่รู้เขาก็จะให้อภัยทันทีเลยนะบอกเออ e, มันก็สุดคือคือมันดีที่สุดได้แค่นี้แหะเพราะมผิดพลาดไปแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะจะเอาไปประหารชีวิตก็ปหารเลยก็ก็มันผิดจริงอ่ะยอมรับแล้วอ่ะ แต่ถ้าไม่ยอมรับนี่โอ้โหมันน่ารังเกียจ ม, มากเลยนะยิงยิงคิดว่าคนอื่นไม่รู้แล้วเก็บเอาไว้นี่โอ้โหมันมันมันน่ารังเกียจคือมันเสกเปรีอบอะคนอื่นเขามองเห็นความเสกเปรกแต่ตัวเองไม่นหนเห็นที่นี่ยังจะหมกไม่เอาไว้อะยังซ่อนเล่นเอาไว้นี่นั่นแหละมันมน่ารังเกียจมันยอมรับไม่ได้ตรงนั้นมันโนล่บอลหลมากซ้อนๆที่มาเลยนะพระเจ้าจึงมบอกมันเลยเลซามเลยนะเรื่อพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยตำหนิมากมากเลย เพราะเราก็ต้องเปิดเผยกับตัวเราเองไม่ต้องไปเที่ยวบอกใครหรอกเราเปิดเผยกับเราเองว่าเราจะแก้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ยอมรับเลยเพราะฉันผิดจริงอ ย, ย่าไม่ต้องไปทุกข์กันั่ะว่าฉันผิดจริงหรือบางทเานะเาีเราแก้แล้วเขาไม่รู้เราแก้แล้วที่นี่เขาอยังวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเคยผิดมาไม่ต้องให้มันเป็นทุกข์หรอกแต่ว่าเราดีขึ้นจะเอาอันไหนอ่ะเอาเราไม่มีทุกข์แล้วดีขึ้นดีกว่าไหยดีกว่าจะไปฟังแต่ความคิดความเห็นของคนอื่น ปล่อให้ความคิดความเห็นของคนอื่นมามากุ้มดลุมจิตใจมาครอบงำจิตใจมีที่คนตัอจิตใจมันก็ยิ่งงูซ้อนซ้อนเข้าไปหลงซ้อนซ้อนเข้าไปทุกกับเรื่องที่เม่เป็นเรื่องไร้สาระสิ้นเชิงแต่เพราะความงูของตัวเองมันยังทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกข์แล้วทุกข์อีกแล้วก็ไม่เจบไม่จําด้วยไม่เข็ดไม่หลับสักทีหนึ่งเอาให้มันถึงใจในทีนี้ไม่เอาแล้วเราจะเดินตามเลยัองเจ้านี่แหละถ้ามันผิดพลาดบกพร่องตายจริงฉันจะแก้ไขทุกครั้งไม่ปฏิเสธละ ถึงฉันไม่ได้บอกใครแต่ฉันจะแก้ถ้าแก้แล้วยังมีคนมีภาควิจ า, ารยังมีคนต้านมีตีเดียนไม่เป็นไรหรือถึงเขารู้ว่าเราแก้แล้วเขาก็ยังเอาอันเก่ามาซ้ำเติมไม่เป็นไรเรายังกินข้าวได้ยังนอนหลับเราดีขึ้นก็ไม่เสียหายเลยยิ่งเป็นเครื่องทดสอบจิตจิตเรายิ่งอาถรรพ์เหมือนกับโลกทั้งโลกนี่มันไม่มีอะไรทําให้เราสั่นสะเทือนได้หวั่นไหวได้ ดีกว่าที่เราจะไปเทียวแก้ตัวไปเทียวบอกคนนั้นบอกคนนแก้ตัวไม่จำเป็นนะเขาอย่างนี้เขามันเข้มแข็งใช่ไหมแต่ถ้าสมควรพูดก็พูดได้อยู่ไม่เป็นไรแต่บางทีเพื่อความเข้าเข้าใจก็พูดได้แต่ถ้าคิดว่าพูดแล้วมีประโยชน์ถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่พูดก็ดีกว่าแก้จิตเราได้นี่แหละดีที่สุดนะเพราะพระเจ้าเน้นตรงนี้เลยเ น, นื้อชาระจิตของเราให้เขาหล่อเลยเรคือเนือบุญเนื้อบาศแลแก้ที่จิต เพราะนั้นถ้าปฏิบัติมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะรักษาจิตเราได้แบบเนี้ก็หมายว่ามันก็จะต้องผ่านการปฏิบัติอะแต่ว่าอันนี้พูดพูดเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติเลยว่าไอ้ที่ไหนมันพูดง่ายมันสอนง่ายไม่ให้ทําสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งไม่ถูกต้องแนละ้วไม่ทําบาปนะอย่างนี้มันง่ายเลยเนี่ยอย่าไม่ต้องทําอะไรหรอกต้องตรวจสอบดีซะก่อนได้ทําบาปนะ พอทำแล้วมันไม่สบายใจทำแล้วมันเสียดแทงใจสติรักษาใจไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะแวะไปเรื่องเก่าๆที่เราเคยทาซ้าไปซ้ำมาดูซิเนิแมั้ก็แก้ไม่ได้สิเพราะตัวเองเนี่ยมันไปทํำมาไวคนอื่นไม่รู้จะรู้ขึ้นมาเดี๋ยวไปแว บ, บขึ้นมาแล้วก็พวกที่เขาสังเกตการอยู่กันมีนะในระบบของธรรมชาติเนี่ยยิ่งรักตั้งใจว่าเราจะไปปฏิบัติตั้งแต่นิทานที่มราจะปฏิบัติพวกนี้คอยสอส่องเลยนะที่นี่ฝ่ายตรงกันข้าม มือทำไมซื่อสัตย์ต่อปณิธานของตีเมื่ อ, อไหร่กูจะเอามือมือมีอเดียวมันคอยหาช่องอยู่แล้วถ้าหาว่าใครซื่อสัตย์ซื่อตัวพยายามผิดพลาดก็จะแก้ไขเอออย่างนี้มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราซื่อสัตย์อยู่ซื่อสัตย์ต่อปณิธานของตีต่อความตั้งใจต่อคํำอธิษฐานภายในจิตของเราอันนี้อยากจะเตือนอยากให้ระวังเพราะเราได้ตั้งปณิธานอะไรแล้วต้องพยายามรักษา ถ้าผิดพลาดโดยผูอ่อย่าไปปิดบงังอย่าไปแก้ตัวยอมรับว่าผิดจริงก็จะแก้ไขถ้าจะมีอะไรมาดีบคันมีมาตาหนิมาพิมมาแทงมาดีบมาคันก็ยอมรับว่าผิดจริงแต่ได้แก้ไขจะพยายามแก้ไขยอยู่แล้วถังยังแก้ไข ย, ยังไม่ได้ก็กำลังแก้ไขยอยู่พวกนี้เขาก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราซื่อสัตย์่ตรต่อธรรมะ นี่แหะคือความปลอดภัยทางจิตใจแล้วก็ทำกุครทำกุศก็ไม่ใช่ทำดีแล้วไปยึดดีนะที่นี่เขาฉันดีอย่างนั้นเขาสู้เราไม่ได้เราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราวิเศษกว่าเขาเอาอีกแล้วกลายเป็นไม่ดีเลยที่นี่กลายเป็นเลวไปอีกแล้วพูะเจ้าบอไม่มีตัวตนตัวเองก็ไปสร้างตัวตนขึ้นมาแต่มันก็หล่นไปอีก่นมากเล หลงเนหลงซ้ำเข้าไอีกเพะะเอาทาดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิที่ดีมันเป็นงที่ถูกต้องทำแล้วใจเราสบายสติรักษาใจง เ, เป็นสมาธิจิตใ จ, จตั้งมั่นได้เลวเข้าหาธรรมเข้าหาความจริงได้สะดวกยูไม่ใช่ไาให้มายึดติดดีมันหลงดีใช้ความดีมนะั่นเอาความดีมาอ้างแล้วก็สร้างขยายตัวเตนมขึ้นมา เมื่อตัวเตนมันขยายขึ้นมันใหญ่โตขึ้นแล้วท่านพุทธเจ้าก็สอนให้ละตัวตนทีนี้เลยเลยโดยสวนทางกับทพุทธเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวนี่ก็ต้องระวังด้วยผู้ปฏิบัติสุดท้ายก็คือไม่ยึดดีไม่ติดดีไม่ติดทัานดีแนละไม่ดีไม่ติดท่า น, นบุญระบาศถ้าเรายังทำํำอะไรจะพยายามเลยพูดอยู่พุ้เพยายามเพื่อเป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางของการปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปเนี่ประมวลเข้ามารวมเข้ามามันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันก็คือการปฏิบัติชนิดหนึ่งแต่ว่าพูดอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เป็นบรรทัพ ฐ, ฐานคือไปที่ไหนมันก็สอนได้แบบเนี้สอนแล้วมันก็เข้ามาหาจิตของแต่ละคนมาพัฒนาจิตมาแก้ไขจิตแล้วก็เพื่อให้จิตของเรานี่มันปล่อยมันวางนั่นเองตอนน่อมาอีกคราวนท่อนที่สการดําเนินชีวิตของแต่ละคนทีนี้ ก็มีหลักอีกอนุวาโดโอนุปคาโตการไม่พูดหลายการไม่ทำร้ายคราวนี้การพูดก็ต้องระวังเลยนั่นทีนี้ไม่พูดใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ไม่ไปดา่าไปทอไปพูดเสียดสีไปให้ร้ายป้ายสีไปโททนธนาเรื่องไม่ดีของคนนั้นคนนี้หยุดไม่พูดล้ายจะพูดก็ต้องตั้งเมตตาขึ้นมาเขาก็เพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันรักสุขเกียรติทุกเหมือนกันยังถูกกิเลสกันหาอุปทานครอบงําเหมือนกันยังมีความหลงบางทีความหลงมันก็เล่นงานมันก็ต้องผิดพลาดบกพร่องไปเขาไม่ดียังไงก็ไปมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปว่าเขาไม่ดีปับ๊บเป็นกรรมของเราแล้วทีนีงเขาไม่ดีปับ๊บเราไปชังเขา ความชิงชังเป็นเรื่องของเราแล้วที่นีเป็นความไม่ดีของเราแล้วดูสิเราต้องแยกให้ออกนะเขาไม่ดีเรื่องของเขาถ้าเราสมควรจะพูดจัดจา ก, กันด้วยเมตตาก็พูดได้อยู่แต่ต้องดูให้ดีแต่ไปชิงชังไปโกรธไปเครืองไปพูดถึงเขาในทางไม่ดีพูดร้ายๆใส่เขาเป็นกรรมของตัวเองลงอาวจีลงมนาะอบายาคุงง่ายๆเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้มารักษาจิตนี้ อย่าแส่ซากไปหาคนอื่นนี่ยมันจะประมวลเข้ามาอย่างนี้ไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายปาติโมเขจะสังวโรสำรวนในพระปาติโมกถ้าเราฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของพิสูจน์เท่านั้นคำว่ า, าปาติโมกสำรวนในพระปาติโมกหมายถึงว่าศีลที่เป็นทุนฐานน่ะของแต่ละคนถ้าเป็นของพระก็สองยยี่็ข้อถ้าเป็นของโยมล่ะศีลห้าศีลแปดสามเณรล่ะศีลสิบเนี่ยเป็นปาติโม เป็นศีลพื้นฐานของแต่ละคนเราก็น้อมมาว่าเออปาติโมกของเราบรรทัดฐานของเราศีลที่เป็นบรรทัดฐานของเราเป็นพื้นฐานของเราเรายังมีการมีงานทําอยู่เอาศีลห้าเอาไว้เพราะศีลห้าเ น, นี่ยมันเป็นศีลที่ของพระยาเจ้าของผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือเป็นศีลที่ทําให้สังคมมีอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมันไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกันเราก็เอารักษาสํารวมในพระปาติโมกแต่ถ้าเป็นรายละเอียดเนี่ยมันก็ยังอธิบายไปอีกนะ คำรวมในปฏิโมกนี่หมายความว่าสิ่งไม่ดีก็ไม่ทําล่ะมีมารยาทแล้วก็อาการไปเกี่ยวข้องใครควรเกี่ยวข้องไม่ควรเกี่ยวข้องรู้อีกน ะ, ะที่ไหนควรไปเกี่ยวข้องไม่ควรไปเกี่ยวข้องเรื่องราวใดไม่ควรเอามานึกมาคิดมาปรุงมาแต่งเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียเวลาบางคนก็ชอบนะ เอาเรื่องคนนั้นบางเรื่องคนนี้บางไรซาระบางทีก็เรื่องหนังเรื่องละครเรื่องดาราดาราดาราคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เขาเปลี่ยนคู่อย่างงั้นเปลี่ยนคู่อย่างนี้มันก็มันน่ะเหมือนก็อยากรู้อยากเห็นน่ะแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันดับทุกข์ภายในใจเราได้ไหมมันเสียเวลามันทําให้นอนช้านี่เราต้องประมวลเข้ามาประมวลเข้ามารักษาจิตของเราแก้จิตเรานี่แหละคือสีเนี่ยมันมีรายละเอียดถ้าจะอธิบายไปเนี่ยมันมีรายละเอียด อันนี้ก็จะไม่พูดยืดยาวต่อไปนะก็จะเริ่มบทต่อไปมัตตัญญาตาจะพัตตสัมมิงอันนี้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารยิ่งเรามาที่นี่นะอาหารต้องระมัดระวังเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์เพราะงั้นเรื่องอาหารการกินไม่ต้องไปคํานึงมันมากหรอกเอาพออยู่ได้ให้ท้องมันเบาซะก่อนอาหารก็เป็นประเภทอะไรที่มันน่นหนัก มากเอาพออยู่ได้ให้ร่างกายมันมันปฏิบัติทําได้สะดวกเน้นที่นี่เลยนีเรียอรู้จักประมาณในการบริโภคคือมีปัญญาบริโภคเข้าวปลาอาหารที่จริงมันมันท่านให้รู้จักประมาณในการใช้ซ้อยสิ่งต่างๆด้วยแต่ว่าอาหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นใ น, นปัจจัยสี่ที่สําคัญที่มันถ้าเราควบคุมอาหารได้เนะี่ยมันจะควบคุมอย่างอื่นได้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วก็ ปันปันจะสยนาสนัยอยู่ในที่สลับสลับเราต้องรู้จักหลีกเล้นถึงคนจะเยอะก็ตามนะแล้วก็หลบของเราได้ถ้าหาว่ากลุ่มนี้กําลังคุยกันอยู่เราก็แค่นั่งหันหลังไปสํารวมจิตของเราก็ไม่มีใครรบ ก, กวนเราแล้วหรือมองออกไปสํารวมจิตใจภาวนาคนเยอะๆอะกำลังคุยกันอยู่กําลังมีเรื่องมีเราเราก็หลีกเล้นของเราหลีกเล้นทางจิตใจก็ได้หรือถ้าพอหลบได้ก็หลบไป เราไปหามุมอะไรที่มันสงบสงัดถ้าอยู่ในป่าในเขาพวกก็ดียิ่งดีสิเข้าไปอยู่ในป่าไปวิเวกเลยอ่ะเหมือนอยู่คนเดียวในโลกอย่างเงี้ยแล้วจิตมันจะไปไหนทีิ้งมันก็ไม่อยากไปไหนละเพราะกุตสาหมาอยู่ในป่าแล้วเออมันก็จิตมันก็หดตัวเข้ามามันก็ระวังตัวระวังตัวด้วยกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยมันก็จะระวังตัวขึ้นมาโดยธรรมชาติได้หรืออย่างน้อยเราเขาพูดอะไรกันเราไม่มันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเราไม่อยากวุ่นวายอ่ะ เราหลบออกไปรู้จักดีกเคล้นหาที่สงบสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโกรู้จักทําจิตให้ยิ่งทําจิตให้ยิ่งคือยังไงจิตเป็นสมาธิเริ่มตั้งแต่สติรักษาจิตจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาตั้งก็มั่นขึ้นมาก็เริ่มเห็นมองดูกายปั๊บอุ้ยร่างกายก็อยู่ของมันนี่นาจิตก็อยู่ส่วนจิตนี่แหละจิตยิ่งจิตยิ่งคือจิตตั้งนั่น ไม่ถล่มเข้าไปกับอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายไม่มีที่พลต่อจิตไม่สามารถดึงจิตไปได้จิตจึงมองเห็นขันห้าของเรายกตัวอย่างว่ามองดูกายกายก็อยู่ส่วนกายจิตก็เป็นนามธรรมาอาศัยกายอยู่แต่ว่าธรรมดามันไม่เห็นหรอกว่าจิตกับกายมีคนละสว่วนแต่เวลาเราปฏิบัตินี้จิตเป็นผู้ดูถ้าเอาจิตไปมองดูร่างกายล่างกายก็อยู่ของมันจิตก็อยู่ส่วนจิตกายอยู่สนเวทนาขึ้นมาเนี่ย เวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายจิตไม่ใช่เวทนาจิตก็มองดูอยู่จิตมันนลกอะไรขึ้นมาจิตก็เริ่มมองเห็นอาการของจิตว่าเอ้ยนี่เป็นอาการเฉยๆไม่ใช่เราเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับเห็นพวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ขงเรามันก็เริ่มปล่อยพอเริ่มปล่อยจิตเราก็เริ่มถอยห่างมาจากขันห้าเหมือนกับเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นมันจะหดตัวเข้าไปหาจิต ตัวจิตนี่ถ้ามันมองเห็นอย่างเนี้ยถ้ามันมองดูเอามามองดูขันห้าปั๊บเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาแตะมาแตะดูเอามาตรวจดูเอามาสัมผัสดูถ้าหาว่ามันมองเห็นเว่าจิตเนี่ยเป็นคนลส่วนกับสิ่งเหล่านั้นมีแสดงว่าจิตมันมีญาณจิตที่มองเห็นด้วยตัวจิตเองรู้เข้าใจด้วยจิตเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณญาณังญาณังหรือเรียกว่าจะคุ่งจะคุ่งตาตาตาของใจเกิดขึ้น ยานเกิดขึ้นแต่ว่าจะคุ้มจริงๆเนี่ยหมายถึงพระโสดาบันคือเห็นครั้งแรกเห็นมายาสัตว์สีครั้งแรกมองเห็นเนี่ยเขาบอกเห็นทุกในที่นี้ก็คืออย่างเห็นกายวะมันอยู่ของมันอยู่ของมันนะมันอยู่ของมันนะไม่ใช่เรานะมันว่างเปล่านะไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นนะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันอยู่ชั่วคราวนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นทุกถ้าว่าไม่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวมันมาทุกข์ที่จิตเรา อย่างร่างกายเราเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาก็โอ้แย่แล้วกลัวมันไม่หายกลัวมันมตายหรือมันเริ่มหน้ามันเริ่มเหี่ยวเหียวย่นย่น เ, เ, เ, นเออมันเคยสวยงามติ่งเต่งตึงตีนกาก็ใหม่มีคิ้กวก็ยังโค้งโก่งยังสวยยังงามอยู่อ่ะทีนี้นมันมาเห็นมันมันมันเริ่มผิดไปจากเดิมอ่ะหนังเราก็เริ่มเหี่ยวเหียวย่นย่นหน่อยตีนกาก็เยอะแยะไปหมดเลยตามหน้าตามตาอะไรเนี่ย มันก็เริ่มเจ็บทุกข์ไม่สบายใจเพราะเราไม่ยอมรับความจริงในอย่างนี้มันแยกไม่ออกถ้าแยกออกนี่ร่างกายมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่เจ็บไข้ได้ไป่วยก็ต้องรักษานะทํำไมรักษาก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่ในจิตนะเราเราให้มันยอมรับให้ได้ซะก่อนว่ามันไม่ใช่ของเราคือไม่ทํามาให้เราเป็นทุกข์แต่ว่าเรายังใช้มันอยู่มันยังไม่ได้สลายไปมันยังเป็นมันยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราอยู่ต้องรักษาไปตามสมควร นี่เนเนื้อว่าบริหารมันด้วยปัญญารู้จักว่าเออร่างกายควรทํำยังไงร่างกายของเราเนี่ยอย่างรับประทานอาหารอันไหนมันมีประโยชน์ก็รับประทานควรบริหารร่างกายก็ต้องบริหารร่างกายผมควรทํายังไงกับมันให้มันรู้สึกว่ามันแข็งแรงแข็วค่องว่องไวสามารถทําการทํางานได้ดําเนินชีวิตอยู่ได้สามารถเอามาปฏิบัติทำให้จิตของเราเข้าถึงความจริงได้มากขึ้นนี่เลยว่าการที่เราฝึกจิต ให้จิตตั้งมั่นมั่นคงสามารถเห็นตัวเราว่านี่มันเป็นแค่ชั่วคราวเฉยเฉยเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกกองทุกนี่เห็นนยสัตสี่ถ้าเห็นว่ามันมันเป็นแค่ก้อนทุกกองทุกเนี่ยไอยากให้เป็มอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแล้วนะทีนี้ปัญหามันก็ไม่เกิดความหลงผิดว่าเป็นเราก็ไม่เกิดเพราะเห็นแล้วไม่ใช่ของเราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเนี้ยเพราะันทุกไม่เกิดเหตุแห่งทุกไม่มีเหตุแห่งทุกไม่มีทุกดับ ก็เป็นนิโรธทุกขะสมุทัยดับทุกขานิโรธะคือทุกดับทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิบัติทางดําเนินปฏิบัติเพื่อให้ออกจากทุกได้ก็นี่แหละคือการปฏิบัติของเหล่านี้จึงเยก ว, ว่าอธิกิตเตจายโยโคเอตังบุทานะซาสนันตินี่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนิลาโอวาทะปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทรง กล่าวกับภิกษุทั้งหลายจากนั้นทุกวันอุโบสถ์พระเจ้าก็ลงไปเป็นประธานแล้วก็จะกล่าวโอวาทนี้พูดโอวาทนี้ซ้ําอยู่ตลอดไม่ใช่สวดกันในสมัยนี้ไหมตั้งแต่พรรษาที่สองหลังจากที่พระเจ้าตัดโอวาทท่า ป, ปาติโมกเนี่ย ว, วันเพ็มเดือนสาคือหลังจากพระเจ้าตัดสิงนี้แล้วก็มาจมําพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรุขทายาวันจากนั้น ออกพรรษาแล้วไปโปรชดชัดบินจากนั้นก็เสด็จมาที่นี่ที่กรุงราชคืนี้อยู่ที่เขาพิจิกูนั่นแล้วก็ลงมาที่นี่หลังจากที่พระ อ, องค์ตัดสินแล้วได้เก้าเดือนแล้วก็กล่าวโอวาททัปปาริโมกโอวาทปฏริโมกนี้ขึ้นมาจากนั้นทุกวันอุโบสถก็พระ อ, องค์ก็จะลงมากล่าวโอวาทปปิโมกนี้ทุกครั้งจงกนกระทั่งถึงพรรษาที่ยี่สิบประมาณยี่สิบนี่แหละในครั้งก็นั้นน่ะ มีภิกษุรูปหนึ่งไปทําผิดเทววินัยขึ้นมาแล้วก็ไม่ละอายในยที่ประชุมก็ยังเข้าไปประชุมกับสงฆ์ที่บริสุทธิ์มีเป็นเหตุพระเจ้ารู้ด้วยยานของพระองค์ถึงเวลาแล้วพระองค์ไม่เสด็จลงไปในที่ประชุมนั้นพระก็ไปทูลพระองค์ว่าอตอนนี้ภิกษุพร้อมแล้วขออัญเชิญพระองค์เสด็จลงไปกล่าวโอวาทปาติโมกข์เถิดพระเจ้าค่ะ เราไม่ลงไปเพราะว่ามีภิกษุที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่ประชุม น, นั้นพระโมคคัลลานะท่ามีญาณเนี่ยพระอนุษยท่าพวกนี้มีญาณรู้ว่ามีองค์ไหนที่ศีลไม่บริสุทธิ์ไม่ทําตามทำตา ม, า ม, า ม, ามวินัยอะ่ะก็บอกให้ออกไปไม่ยอมออกเลยนะพระโมคคัลลา น, นั้นหนีใส่รักแล้วเลยนะลากออกไปนะถึงออกไปขนาดนั้นนะขนาดพระนี่นะไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะบริสุทธิ์ทั้งหมดนะ พระดืพระด้านก็มีนะเพื่ออำนาจของกิเลสตัณหาไม่ใช่อะไรหรอกขนาดสมัยพระพุทธเจ้าที่ดูกระแลงในสมัยนี้จะขนาดไหนอ่ะพระพก็มีทั้งดีและไม่ดีก็เป็นธรรมดานะพราะพระพก็มาจากคนนี่แหละคนก็มีทั้งดีและไม่ดีทั้งดืทั้งด้านก็มีว่า น, นอนสอนง่ายก็มีเอาธรรมเอาวินัยของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติก็มีบางคนดูด้านไม่เอาก็มีเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันทั้งพระทั้งโยมหลังจาก น, านั้นพระเจ้า บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ลมร่วงสังฆกรรมให้พวกเธอเนี่ยลงปาติโมกันคือให้สวดสวดวินัยอะ่ะยกพระวินัยขึ้นมาแสดงแล้วก็สวดกันเองตัวเี่าว่าบัญญัติข้อบัญญัติมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็ให้เอามาสวดสู่กันฟังริ่มตั้งแต่ปาราชิก4สังคาทิเศษส3สอันิยศสองไปเรื่อยนิสิทธิปาจิตตีปาจิตตีไปเรื่อยส2งข้อ เพราะนั้นสมัยนี้ก็ยังสวดกันแบบนั้นอยู่เอามาสวดเอามาทบทวนมาใครผิดพิ่ไหนข้อไหนให้ไปแก้ให้ไ ป, แ, ปแสดงเสียให้มาสารภาพผู้นี้นี่พระก็ดีอย่างหนึ่งนะหมายความว่าถ้าผิดพลาดปั๊บมาบอกกันเลยอันไหนควรบอกก็บอกโอ้ผมได้ผิดข้อนั้นแล้วนะครับโอ้ท่านเห็นเหรอเห็นครับโอ้ต่อไปนี้ท่านสํารวมนะครับผมจะสํารวมระวังต่อไปมาสารภาพ สารภาพถือว่าบริสุทธิ์แล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อผิดพลาดบกพร่ที่อ่อนๆนะง่ายๆหรือว่าไม่รุนแรงแต่ถ้ารุนแรงสุตรว่าปต้องกายหญิงอย่าง น, นี้ทุกความกําหนัดต้องการายหญิงปีเกี่ยวพาลสีหญิงอย่างนี้มันผิดแรงขึ้นอันนี้ต้องไปเข้ากรรมพระเจ้าก็บอกระดับไปให้ว่าเออต้องไปสารภาพตปสารภาพแล้วก็ทําให้มันรุนแรงขึ้นต้องมาปัจจานตัวเองถ้ามีพระมาต้องให้ไปบอกไปสารภาพบาปอันเนี้ยตัวนี้ผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ลดทอนสิทธทิอะไรลงไปถ้าเป็นเจ้าอาวาหรือเป็นอคูบ า, าจานี่ก็ต้องรดไปนั่งท้ายแถวเลยนะอาหารการกินก็ต้องตักที่หลังเขาไม่มีเมนรับใช้ไม่มีพระไปอุปถากรับใช้ทือพระเจ้าก็มีวิธีที่จะทําให้ละอายทําให้เลิกละพอละได้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นรังเกียจชิงชังกันแต่มีประชิกเท่านั้นที่จะต้องสึกถ้าสึกกาไปถือว่าพ้ผิดเหมือนกัน อยู่ในสังคมได้ไม่ลังเกียจกันโอ้ต้องประราชิกแล้วผู้ที่ต้องประราชิกแล้วสุดผู้เจ้าก็บอกว่าเออสามารถปฏิบัติธรรมได้บรรลุพระโสดาบาันได้สกิทาคามีได้อนาคามีได้แต่ไม่ถึงกับพระอรหันต์และไม่กั้นสวรรค์ด้วยแต่ถ้าเขาไปฝืน อ, อยู่นะในสมัยนี้ได้ข่าวมีเยอะด้วยนะในกรุงเทพอ่ะแอบมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นล่ะโอ้โหโทษรุนแรงมากเพราะว่าตัวเองอะ ไม่ยอมทําให้ถูกต้องตามธรรมตามยินไยของพระพุทธเจ้าประมาทไปอันนี้ก็เล่าสู่ฟังเพราะว่ า, ามันมาถึงตรงนี้แล้วเราก็พูดเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเน้นเน้นที่อบรมพระสอนพระให้ถูกต้องสอนพระเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดพระาศาสนาที่แข็งแรงมากลองลอง ล, อ ง, ลองไปสมัยนั้นก็มีภิกษุณีและก็อุบาสกอุบสิกาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีความสําคัญแล้วก็สําคัญ เท่าเท่ากันแต่ว่าผู้ที่สืบทอดพระาศาสนาจริงๆเนี่ยก็คือพระถ้ามีพระที่บริสุทธิ์พระที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อวัดปฏิบัติอะไรอย่างนี้สามารถเผยแผ่าศาสนาได้มากกว้างขวา ง, วางแต่ถ้าพระที่ทําผิดศีลผิดทำผิดวินยัยก็ทําลายาศาสนาได้มากกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั่วๆไปเอาต่อไปนี้ให้เราสํารวจจิตใจน ะ, ะเรารู้แล้วว่าที่นี่พระพุทธเจ้าทําอะไรสอนอะไร เรื่องคันติรักษาจิตเอาไว้มันอะไรเกิดขึ้นกับจิตให้รู้เท่าทันให้เห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอกุศโเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับกุศโเกิดขึ้นก็ดั บ, ก, ก, ดบก็จะเห็นว่ามั้งทั้งกุณโสและอกุณโสดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันไลายเป็นเน้นที่ชําระจิตไม่ให้จิตนิติดทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ให้รู้จักอดทน ให้มีเป้าหมายของชีวิตคือถึงฝั่งคือพระนิพพานระหว่างดำเนินชีวิตอยู่ก็ไม่พยายามไปเบียดเบียนกันไม่ทําร้ายทําลายกันละมัน่นถิพนท่บุกพร่องกันให้อภัยการให้โหรสิกรรมกั น, กนอยู่ร่วมกันก็ระมัดระวังคําพูดละมัดระวังการกระทํำต่างคนต่างสํารวมจิตใจของตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคข้าวปลาอาหารเพราะมันมีอิทธิพลต่อร่างกายมาก มันทําให้จิตใจเนี่ยมันใช้ร่างกายไม่สะดวกแล้วก็พยายามดีกเล่นให้จิตมันเข้าหาความสงบสงบับแล้วก็ฝึกจิตให้ตั้งมัน่นรู้เห็นความจริงให้มากๆนี่เป็นทางเดินนี่แหละโอวาท้าปาติโมะเรามายังสถานที่นี้ก็ให้เราตั้งใจให้มั่นคงนี่เนียกวา่าทิฐานจิตและที่นึ่ตั้งปณิธานให้แน่วแนมีอะไรบ้างที่เราควรจะยกขึ้นมา เป็นข้อปฏิบัติของเราให้สมกับที่เราตามล่องลอยของพระพุทธเจ้ามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วสถานที่แห่งนี้ก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและสมัยนั้นก็มีกษัตริย์ด้วยคือพระเจ้าพิพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ขำจุนพระพุทธเจ้ารวมทั้งวัดแห่งนี้ก็พระเจ้าพิพิสารสร้างถวายพระพุทธเจ้าโดยตรง เป็นวัดแห่งแรกด้วยเรามายังมีแต่ที่สําคัญเป็นที่บําเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา้าเรานอกจากสังเวชนีสถ า, านแล้วเราไปในที่สําคัญสําคัญทั้งหมดเลยเราก็ควรจะได้อันไล่ติดหมายติดมือหมายว่าเป็นสัญญาจใจเป็นปณิธานอันแน่วแน่แรงกล้าให้เหมือนกับที่พระเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้า ปรารถนาตัดสรู้ธรรมพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วจะอบรมสั่งสอนสาวกของพระองค์ที่เราเป็นสาวกมาถึงที่แล้วที่นี่ก็ต้องให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแกร่งให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันตรงตามรอยพระพุทธเจ้าไปเนีย่ยต้องอย่างนั้นเลยนะเพราะถ้าอย่างนี้คุ้มค่าเลยนะคุ้มค่าเลยถึงจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็คุ้มค่าแล้วในเมื่อจิตของเรามันมันจะโลนขึ้นได้มันมุ่งตรง เดินตามคําสอนของพระเจ้าได้ด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเข้มแข็งด้วยความมุ่งมั่นอย่างนี้เนี่ยนี่ไม่ตกตามแน่นอนแล้วมีแต่จ ะ, จ ะ, จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีสุขติเป็นที่หมายแล้วที่นึ่เนี่ยเพราะมันมุ่งมั่นที่จะเดินตามทางของเจ้าไปเรื่อยๆแล้วเอาสํารวจจิตใจนิดหน่อยนะเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะวันนี้ให้บูชาพระพุทธเจ้า คือการทบทวนว่าเราจะน o o ําเอาโอวาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงในสถานที่แห่งนี้มาประพฤติปฏิบัติยังไงเหมือนกับบอกกล่าวบอกกล่าวพระพุทธเจ้าหรือบอกกล่าวกับผู้ที่เขารู้จิตใจของเราด้วยที่มามองดูเราที่มาสังเกตดูเราเห็นมองเห็นจิตเราเข้าใจการกระทําของเรา มีพยานเรียกวมีพยานมีหลักฐานมีสถานที่มีอานุภาพของพระเจ้าพระธรรมประสงค์มีสิ่งที่สามารถล่วงรู้วาลจิตของเรารู้จิตรู้ใจของเราอ้าสุดท้ายแล้วต่อไปก็ตั้งใจอุทิศบุญนะวันนี้ลองให้อุทิศบุญเองเลยนะใครจะอุทิศบุญยังไงก็อุทิศบุญไปได้เลยนะอุทิศบุญตามลําพังเลย